มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคปัญญานิรุชนะปัญหาที่สาม ถามว่ายานบังเกิดในสันดานผู้ใดผู้นั้นมเรียกว่ามีปัญญาหรือพระราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสถามอัธปัญหาต่อไปอีกล่าวว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ายานบังเกิดในสันดานผู้ใดผู้นั้นหรือชื่อว่าปัญญาบังเกิด ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยานที่บังเกิดขึ้นนั้นแลเรียกว่าปัญญาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การสรักว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้ายานบังเกิดในสันดานผู้ใดผู้นั้นเรียกว่ามีปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดจะหลงบ้างหรือหาไม่ได้ พระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารบางทีหลงก็มีที่ไม่หลงก็มีขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรถามว่าที่หลงนั้นอย่างไรพระนาคเกษนแก้ไขว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารที่มีปัญญาหลงนั้น คือเดินดงพงป่าหารู้จักทิศที่จะไปไม่เหตุไม่ได้ฟังเขาเล่าบอกนามาบัญญัติว่าถึงที่นั้นมีต้นไม้อันนั้นเป็นสำคัญเหตุนี้ผู้มีปัญญานั้นจึงหลงไปพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่หลงนั้นอย่างไรพระนักเกษวิสัชนาแก้ไขว่า ขอถวายพระพรได้แก่โยคาวจรอันปรงปัญญาเห็นพระอนิจจังและพระทุกขังและพระอนัตตานี่แหละปัญญาท่านไม่หลงพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การถามว่าที่ปัญญาไม่หลงนั้นโมโหในสันดานท่านไปแอบอยู่ที่ไหนพระนาคเษนถวายพระพรแก้ไขว่ามหาราช ดูราณะบอพิษพระราชสมภารเมื่อปัญญาบังเกิดแล้วโมโหก็ดับอยู่ที่ปัญญานั้นพระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญญานั้นเกิดแล้วไปดับอยู่ที่ไหนพระนากเกษตวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ปัญญาบังเกิดกระทากิจของอัตมาแล้วก็ดับอยู่ในกิจของอัตมากิจแห่งปัญญาอันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตนตา น, นจะได้ดับหามิได้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินมหัยสวรรค์จริงตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้ายังปเนตังพลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า ปัญญากระทำกิจแล้วก็ดับอยู่ที่กิจแห่งตนนั้นกิจอันเห็นว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาชื่อว่าปัญญาว่าดังนี้โยมยังสงสัยนิมนต์กระทำอุปมาไปให้เห็นแจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภาร ปริยปานดุดบุรุษผู้หนึ่งจะดูเลขเมื่อกลางคืนเลขนั้นบุรุษผู้นั้นเขียนลงไว้ในกระดาษจึงจุดประทีปขึ้นทัศนาการดูเลขนั้นก็เขียนเลขลงไว้แล้วให้ดับประทีปเสียเมื่อประทีปดับไปตัวเลขที่เขียนไว้ก็ยังปรากฏอยู่มิได้ลบเลือนไปยะถามีอุปมาฉันใดก็ดี ปัญญาที่บังเกิดขึ้นกระทำกิจแห่งตนแล้วดับไปแต่กิจแห่งตนอันเห็นว่าพระอนิจจังและพระทุกขังและพระอนัตตานั้นยังปรากฏอยู่เปรียบดุลประทีพอันบุรุษจุดขึ้นดูแล้วเขียนเลขไว้แล้วดับประทีพเสียปรากฏอยู่แต่ตัวเลขที่เขียนไว้จงทราบพระไถ่เถิดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิน่นกษัตริย์ตรัสว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดมนุษย์อันอยู่ในทิศตะวันออกกลัวเพลิงไหม้บ้านจึงตั้งหม้อน้ำไว้ห้าหม้อที่ใกล้ประตูเคหาครันว่าเคหานั้นเพลิงไหม้มนุษย์นั้น จึงเอาน้ำที่หม้อตั้งไว้นั้นดับไฟครั้นไฟดับไปแล้วมนุษย์นั้นจะต้องการน้ำในหม้อนั้นอีกหรือหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ามนุษย์ชาวชนบทนั้นครั้นเพลิงไหมเขาจึงเอาน้ำที่หม้อทั้งห้า ไปดับไฟไฟดับไปแล้วจะได้ต้องการน้ำอีกหาไม่ได้พระนาคเสนจริงวิสัชนาว่าหม้อทั้งห้าได้แก่อินสีห้ามีสัตถินรีเป็นต้นฝูงชาวชนบทที่ดับเพลิงด้วยหม้อน้ำทั้งห้าได้แก่พระโยคาวจรอันดับกิเลศ ด, ด้วยอินสีห้าประการ เพลิงที่ไม่บ้านนั้นได้แก่กิเลสกิเลสนั้นจะดับไปก็อาศัยแก่อินทรีห้าคือสัตทินรี์เป็นต้นและกิเลสที่ดับไปมิได้เกิดอีกนั้นได้แก่ปัญญาที่กระทากิจนั้นครั้นกระทากิจแล้วก็ดับไปปรากฏอยู่แต่กิจอันเห็นพระไตรลักษณ์นั้นและปัญญาที่กระทากิจนั้น กระทำครั้งเดียวก็ดับไปอุปมาดุดอินทรีย์ทั้งห้านั้นดับกิเลสให้ศูนย์ไปทีเดียวนี่แหละขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรจึงตรัสว่าโยมยังสงสัยนิมน์อุปมาให้พินโยภาวะยิ่งกว่านี้พระนาคเษศจึิงมีเถระวาจาว่ามหาราชดุรานะบอพิษพระราชสมภาร เปรียบปานประหนึ่งว่าแพทย์ผู้หนึ่งรักษาคนไข้จึงเก็บเอารากไม้อันเป็นยาห้าสิ่งไปรักษาไข้ครั้นคนไข้ได้รับประทานมารากไม้ยาห้าสิ่งนั้นโรคก็บันเทาคลายหายขาดนี่แหละบอบพิษพระราชสมภารแพทย์นั้นจะเอายาห้าประการไปรักษาคนที่หายนั้นอีกหรือหรือว่าหาไม่ได้ พระเจ้ากรุงมิลินปินสาค拉ราชธานีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าเมื่อหมอนั้นเอายาทั้งห้าไปรักษาเขาหายแล้วจะได้ต้องการรากยาอีกหาไม่ได้พระนาคเษน จ, จริงกระทาอุปมาอุปไมเป็นสองชั้นว่าขอถวายพระพรแพทย์นั้นได้แก่พระยูขาวจรรากยาห้าสิ่งนั้น ได้แก่ปันจินสี่ห้ามีสัตถินสีเป็นต้นคนไข้ได้แก่ปุถุชนพระโยคาวาจรไปสั่งสอนให้จเจริญอินรีทั้งห้าเปรียบดุจกินรากยาห้าประการเมื่อปุถุชนนั้นรับประทานคือปรนิบัติในอินรีทั้งห้าราคาที่กิเลสสิ้นไปดับไม่ได้เกิดอีกชันใดก็ดี ปัญญาที่กระทํากิจนั้นดับไปในสันดานพระยะติโยคาวจรยังปรากฏอยู่แต่กิจแห่งปัญญาเห็นพระตรลักษ์ว่าอนิจจติวาทุกขันติวาอนัตตติวะอิติวะอนิจจงอิติวะทุกขังอิติวะอนัตตาในการนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีตรัสว่า ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้โยมยังไม่สิ้นสงสัยจงกระทาอุปมาอุปไมให้พินโยภาวะยิ่งไปกว่านี้ก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่าดูราณะบอพิษพระราชสมภารเปรียปานเหมือนโยธาสังคามาวาจโรอันจะไปกระทาสงครามรบพุ่งด้วยศัตรูหมู่อรินทราชนั้นปัญจ ก, กันดานิ จึงยิงปืนใหญ่ไปอีกห้านัดหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิเบศปฏิเสธว่าจะยิงไปอีกหามิได้พระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหายสวรรค์ชั้นใดก็ดีโยธาตัวดีคือพระโยคาวาจรยิงหมู่อาริน อันติพระนครคือกิเลตัญหาและยิงปืนทั้งห้านัดนั้นคือปัญจะอินสีห้าเมื่อยังกิเลตัญหาให้ดับไม่ให้กลับมาเกิดชั้นใดก็ดีปัญญาที่เกิดในสันดานท่านโยคาวจรผู้ประเสริฐเกิดขึ้นกระทากิดและดับมิให้กลับเกิดใหม่แต่กิดเห็นพระไตรลักษณ์ยังประจักษ์อยู่ ขอบอพิจงรู้ในพระราชสันดานด้วยประการดังนี้พระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ทรงฟังก็สมมานัตในอุ ป, ปมาจึงตรัสว่ากาโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้สมควรแล้วปัญญานิรุตชนะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้